ตติยะชานมีองค์เท่าไหร่สุขเอกับขตาง่ายๆเลยคือสุขกับเอกับขตาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสัญญาณมนุิการอันประกอบด้วยปีติและสุขของพระโยคาวจรผู้ได้ตาติยะชานเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมเพราะว่าปีตินี่เป็นความเสื่อมของตาติยะชานนะทำไมหมกมุ่นกับปีตินี่ตาติยะชานเนี่ยเสื่อม ส่วนความพอใจอันเป็นไปอันเป็นธรรมะสมควรแก่ตาติยะชานนั้นยังตั้งอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่ก็คือรักษาองค์ของตาติยะชานคือสุขกับเอกคตาส่วนสัญญาและมนสิการอันประกอบด้วยอัทุกขมสุขคเวทนาเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษ อันนี้ก็คือเป็นวิเศษสะพาคยะของตัติยฌานใช่ไหมถ้าได้ตัติยฌานแน่นน้อมไปเพื่อจตุตฌานนี้ก็แสดงว่าวิเศษขึ้นวิเศษขึ้นสัญญาและมนาสิการอันสหรคตด้วยความเบื่อหน่ายประกอบด้วยวิราคะเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความชำแรกกิเลสเนี่ยนะก็เจริญเห็นนะ พิจารณาตตะยะชาญโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นนังโหรฝีเป็นต้นเนี่ยนะจนเบื่อหน่ายในตตะยะชาญอันนี้เป็นไปเพื่อชํำระกิเลสเป็นไปเพื่อละตันหามาขึ้นจตุตชานสัญญาและมนุิการอันประกอบด้วยอุเบกขาและสุขของพระโยคาวจรผู้ได้จตุตชานเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ความพอใจอันเป็นธรรมะสมควรแก่จตุทัชานั้นยังตั้งอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่สัญญาและมนสิการอันประกอบด้วยอากาสารัญจายตนะเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษสัญญาและมนสิการอันสหรคตด้วยนิพิทาคือความเบื่อหน่ายประกอบด้วยวิราคะเป็นไปอยู่นี้เป็นธรรมะเป็นไปในส่วนแห่งความ จำแรกกิเลสเกี่ยวกับเรื่องรูปฌานเนี่ยนะเราก็ถ้าจะให้เข้าใจดีๆเราจำองค์ของปฐมฌานว่าปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีิสุขเอกัคตาปฐมฌานละอะไรละนิวรณ์จะวางง่ายๆคือละนิวรณหใครที่ได้ฌานแล้วไปหมกมุ่นกับนิวรเป็ปไงอันนี้เสื่อมแน่นอนะคิดง่ายๆ ทุติยชานละอะไรได้ละวิตกได้ถ้าผู้ที่ได้ทุติยชาญเนี่ยนะเป็นนักตรึกมากๆด้วยอำนาจวิตรักมากๆเนี่ยนะทุติยชานเสื่อมตัติยชานละอะไรตัติยชานละปีติเนี่ยนะตัติยชานละปีติถ้าคนที่ได้ชาญที่สามเนี่ยนะเพลิดเพลินในปีติเสื่อมแน่เนี่ยนะตัติยชาญนีเสื่อมจตุทัชานนี่ละ สุขถ้าคนที่ได้เจตุตจาร์เนีน้อมไปหาความสุขบ่อยๆเนี่ยนะเสริอมอันนี้ก็ดูความเสื่อมง่ายๆว่าปฐมฌานเนี่ยถ้าปฐมฌานละนิวรทุติยฌ า, านละวิตกวิจานตติยฌ า, านละปีติเจตุทัชฌานละสุขถ้าน้อมไปหาไอ้สิ่งที่ละละบ่อยๆบยๆนั่นแหละเสื่อมเป็นความเสื่อมทีนี้ ผู้ที่ได้ปฐมฌานถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมสังคมปัจจัยซ่องเสพครุ่นคิดตรึกตรองให้ปฐมฌานเรียกว่ารักษาเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าตั้งอยู่ทุติยฌาน ต, ตานัติยฌานจตุตชฌานก็เหมือนกันแสดงว่าเขาบริหารรักษาให้คงเดิมให้คงทนให้เป็นไปอย่างดีเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่าทิติภายคยาเรียกว่าส่วนแห่งความดารงอยู่ ผู้ที่ได้ปฐมฌานน้อมไปเพื่อทุติยะฌานอันนี้วิเศษขึ้นผู้ที่ได้ทุติยะฌานน้อมไปเพื่อตติยะฌานอันนี้วิเศษขึ้นผู้ที่ได้ตติยะฌานน้อมไปเพื่อจตุทะฌานอันนี้วิเศษขึ้นเห็นไหมผู้ที่ได้ปฐมฌานนะพิจารณาปฐมฌานไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นต้นเนี่ยนะจนเบื่อหน่ายอรยิยมรรคเกิดนี้เรียกว่าส่วนแห่งการชำรกกิเลส ได้ทุติยชาญแล้วก็พิจารณาทุติยชานไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไปในส่วนแห่งการชั่แรกกิเลสสำคัญนะต้องได้ชาญก่อนนะแล้วค่อยคิดไม่เที่ยงตรงนี้นะไม่ใช่ชาญก็ไม่ได้นิวนก็กลุ้มรุมบอกปฐมว่มาชานก็ไม่เที่ยงดีไหมไม่ดีนะเนาะเรียนถามพระคุณเจ้านะครับที่แสดงว่า ผู้ที่ได้ทุริยชาญแล้วก็ถ้าน้อมไปในวิตกนี่จะทําให้ทุริยชาญเสื่อมนี่จะเป็นวิตกในในปฐมชาญหรือว่าวิตกที่ที่นอกปฐมชาญครับเพราะว่าถ้าคนออกจากปฐมชาญแล้วเจริญวิปัสนาภิกษก็คงจะต้องอาศัยการตรึกจะเป็นวิตกประเภทคือวิตกในปฐมชาญเนี่ยนะะเช่นคนที่เจริณเมตตาเนะี่ย จเจริญเมตตาเนี่ยเบื้องต้นเลยก็คือน้อมไปตรึกให้คนอื่นมีความสุขเลยเอาเวลาโหนตัวพยาประชาโหนตัวอณีคาโหนเตือสุขยาตานังปริหารันตเนี่ยนะก็น้อมไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขให้ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนขอให้สัตว์ทั้งหลายรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเนี่ยนะการน้อมตรึกอย่างนี้มากมกมากๆ า, ก า, กากจนจนไม่มีขอบเขตไม่มีปริมาณ ในในการเจริญเมตตาอาศัยการตรึกอย่างนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆมากๆเข้าเนี่ยนะทำอย่างนี้จนจิตเป็นอัปปนาเรียกว่าปถมฌานทีนี้ถ้าประสงค์แล้วก็ถ้าได้ปฐมฌานอย่างนี้ก็มาพิจารณาองค์ฌานทั้งหมดว่ า, าที่ประกอบไปด้วยองค์ฌานนี่อาศัยการตรึกการตรองตรึกอย่างนี้บ่อยๆน้อมไปเพื่อ อเวราอัพยาปั ช, ชาอานีฆะสุขิอัตนานังปริหารันตุเนี่ยนะน้อมไปในลักษณะนี้บ่อยๆก็ด้วยอนุภาพของวิตกใช่ไหมทีนี้ถ้าประสงค์จะได้ทุติยชานก็ต้องน้อมไปเพื่อเห็นโทษของวิตกว่าวิตกนี้ยังต้องตรึกยังต้องตรองคือปฐมฌานยังต้องตึกต้องตรองต้องเห็นโทษของวิตกแล้วอาเวราอัพย า, พยาป ช, ชาโหนตุโดยที่ไม่ต้องตึกต้องตรองเนี่ยนะ เป็นการเจริญทูติยชานแบบไม่ต้องตึกต้องตรองโดยอาศัยทุติ ย, ยปฐมฌานเป็นบาทแล้วก็เจริญเมตตาไปแต่เมื่อไรที่เจริญโดยที่ไม่ต้องตึกต้องตรองแต่เป็นเมตตาที่เป็นอปปมัญญาเนี่ยนะโดยที่ไม่ตรึกไม่ตรองแต่น้อมมาตรึกก็ดีเหมือนกันไหมน้อมไปวิต ก, กะตามเดิมอะนะอันนี้ลักษณะของทุติยชานที่เส่อมพะไปตรึกไปตรองก็ ถ้ายังตรึกตรองก็เทียบเท่าปฐมฌานเท่านั้นเองไม่ใช่ทุติยะฌานแล้วแต่ที่นี้อันนี้เป็นสมถะญาณิกะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอาศัยสิ่งนี้เป็นบากแล้วมาน้อมตรึกถึงความไม่เที่ยงของปฐมวิตกในปฐมฌานความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเนี่ยน้อมมาไขครวนแบบนี้แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆอันนี้เป็นกลุ่มนิเพทภาคยะเนี่ยนะ แต่ถ้าถามว่าทุติยะฌานจะเจริญขึ้นเพราะพิจารณาอย่างนี้ไหมบอกไม่ใช่เนีย่ยนะเพราะฉะนั้นเสื่อมในแง่ในแง่ทุติยะฌานเนี่ยเสื่อมแต่ว่าไม่ได้เสื่อมในแง่วิปัสสนาเนี่ยนะแต่ถ้าสมถาวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์คนละอย่างวิปัสสนามีปฐมฌานเป็นอารมณ์ตัววิปัสสนาเนี่ยนะมีปฐมฌานเป็นอารมณ์ซึ่งต้องมีวิตกอยู่แล้ว แต่ตัวสมถะที่เจริญพรหมิหารมันมีสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ซึ่งคนละอารมณ์กันคนละอารมณ์กันแต่ถ้าอารมณ์เดียวกันเนี่ยนะเจริญจนได้ทุติยชานแลน้วเนาะมหาวิตกอันนี้เสริมแน่เพราะฉะนั้นคนละมณสิการกันคนละสัญญามณสิการกันถ้าอย่างนี้จะจัดยังไงครับเพราะว่าอยังยังตติยชานก็เหมือนกันใช่ไหมครับต้องเห็นโทษของปีติแต่ว่าปีติที่เป็นปีติสัมพวชงนี่ครับเป็น วิปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้อมไปในปีติสัมโพชงเนี่ยจะตุตฌานก็ไม่เจริญแต่ว่าวิปัสนาเจริญจะเป็นประเภทนิเพทะหรือว่าจะเป็นหานาพากยะก็ทางธรรมะก็ถือว่าเป็นนิเพธะพากยะนะไม่ไม่ถือเป็นหานาพากยะ น, น, นะนะปฐมฌาน นนปฐมมชานนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าตัวชางนนส่วนอารมณ์อารมณ์ของปฐมมชานคือปิยมนาปะสัตว์นั่นนะเมตานะอารมณ์ของปฐมมชานที่เป็นเมตานี่มีสัตว์ที่น่ารักน่าพอใจเป็นอารมณ์นั่นนะ ทีนี้ปฐมฌานเนี่ยประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีตสุขเอกคตาที่มีปิยมนาปัสสัตเป็นอารมณ์ที่เป็นอ ป, ปมัญญาเนี่ยนะถ้าเป็นทุติยฌานเนี่ยนะทุติยฌานก็มีปิยมนาปัสสัตเหมือนกันเป็นอารมณ์ ทุติยะฌานนี้มีปีติสุกเอกะขะตาเป็นเป็นองฌานเนี่ยนะเป็นองค์ฌานผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยนะประสงค์จะจะเจริญให้เกิดทุติยะฌานเนี่ยต้องน้อมไปเพื่อเห็นโทษของวิตกกับวิจารเนี่ยนะเห็นโทษของวิตกของวิจารณแล้วเจริญอย่าง แล้วเจริญอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นวิเศษภ า, าคียะเป็นการเป็นไปเพื่อเจริญขึ้นยิ่งขึ้นของของปฐมฌานเป็นความเจริญของทุติยะฌานแต่ถ้าไปเจริญจนได้ทุติยะฌานได้ฌานเนี่ยนะก็จิตก็ยังประวัติถึงวิตกวิจารโดยที่มีเนี่ยอารมณ์ตามเดิมเนี่ยปิยมนาปะเนี่ยนะ ถ้าน้อมไปหาวิตกวิจาร์โดยที่มีปิยมนาปะสักเป็นอารมณ์ตามเดิมไม่เรียกว่าเป็นความเสื่อมของทุติยทานน้อมไปให้วิตกเกิดนะแต่วิตกนี่มีปิยมนาปะสักเป็นอารมณ์แต่ถ้าเป็นมหากุศลที่เป็นมหากุศลที่เกิดขึ้นมาพิจารณาวิตกอ่ น, นนะใส่ใจโดย เช่นวิตกพิจารณาวิตกพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมพิจารณาวิตกโดยวัตถุพิจารณาวิตกโดยอารมณ์สัมปยุตธรรม เ, เกิดวิตกไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะการเจริญอย่างนี้เนี่ยที่ไปพิจารณาพิเศษต่างหาอย่างนี้เปอันนี้เรียกว่าวิเศษภาคยะไม่ใช่กลุ่มฐาหนาภาคยะเนี่ยนะแต่เป็นกลุ่มนิเพทภาคยะเป็นไปเพื่อ เพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดซึ่งคนละนายกับตรงนี้นั่นเคนละนัยกันแต่ว่าของทุริยชาญที่จะเจริญขึ้นได้นคะครับการพิจารณาเห็นโทษของวิตกตรงนั้นก็เป็นมหากุฒลยานะสมั ย, ยุทธ์เหมือนกั น, น, นแล้วก็มีวิตกด้วยนนตัวมหากุศลได้ไปพิจารณาโทษของวิตตกเพื่อจะให้ทุริยชาญเจริญขึ้นนคะครับพวกนั้นก็เป็นพวกลักษณะของวสี แต่อันนี้หมายความว่าความเสื่อมของทุติยะฌานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าปกตินี้ฌานอันนี้ไม่ต้องมีวิตกวิจารณใช่ไหมแต่พอเจริญไปเจริญมาก็ยินดีในวิตกวิจารอันนมันแบบค้ายๆว่ามันมีความคล่องตัวที่จะตรึกมากกว่าที่จะไม่ต้องตรึกงั้นไหเพราะฉะนั้นความคล่องตัวอันนี้แหละถือว่าเป็นความเสื่อมของทุติยะฌานแต่การเข้าไปพิจารณาเนี่ยนะ ซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องวสีนั้นคนละประเด็นกันถ้าเกิดเป็นความยินดีพอใจในวิตกวิจาร์มันก็คงจะเป็นทิติภัคยะแต่ว่าหมายถึงว่ายินดีด้วยด้วยภาวะตันหาด้วยครับด้วยรูปตันหาก็พวกนี้ก็เป็นกลุ่มภาวะตันหาอยู่แล้วคืออันนี้เรากาลังพูดทุติยาชาญอยู่นะอย่างเช่นว่าความเสื่อมของทุติยาชาญคืออะไร ถ้าได้ทุติยะชานนะน่นนะในเรากาลังพูดทุติยะชานว่าความเสื่อมของทุติยะชานคือยินดีที่จะให้วิตกวิจารเกิดต่อไป mm hmm. เช่นเวลาจะเข้าฌานก็น้อมไปให้วิตกวิจารเกิดเหมือนเดิมอะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นความเสื่อมของทุติยะชานเด่นนะแต่ถ้าเป็นความนำรงอยู่ของทุติยะชานก็คือสามารถบริหารได้ประคองกันไม่ให้วิตกเกิดร่วม ถ้ายังการวิตกได้อยู่นี่เป็นความดำรงอยู่ของทุติยะฌานแต่ถ้าเป็นความวิเศษขึ้นคือมุ่งเพื่อจะชำรยปีติอันนี้เป็นกร ะ, ะส่วนแห่งความวิเศษของทุติยะฌานแต่ถ้าออกจากทุติยะฌานนะมาพิจารณาองค์ฌานพร้อมทั้งวัตถุอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของของธุติยะฌานอันนี้เป็นกลุ่ม นิเพทะภาคยะเนี่ยนะซึ่งซึ่งคนละนายกับที่กล่าวไปส่วนฌานอื่นๆก็รูปแบบแบบฟอร์มนี้นัยยะเดียวกันน่นะที่ที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความดำรงอยู่อะไรเป็นความวิเศษเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยนะที่เราจะเข้าใจได้ดีก็ต้องไปศึกษาอารมณ์ว่าปฐมฌานนี่มีอะไรเป็นอารมณ์ได้บ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีภาวนาวิธีเจริญที่จะทำให้ได้ฌานอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจจะได้นำไปมนุิการไปเจริญบ่อยๆเนี่ยนะซึ่งผู้ที่เจริญน้อมไปพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าพโยคาวจรหรือโยคีบุคคลอันนคงพอสรุปสรุปถึงฌานทั้งหลังเนี่ยนะรูปฌานปฐมฌาน ทูติยะฌานตัติยะฌานจะตุท่าฌานก็มาดูองค์นะว่าปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติโสกเอกักขตาเห็นไหมทุติยะฌานก็ประกอบไปด้วยปีติโสกตาตติยะฌานประกอบไปด้วยโุขเอกักขตาจะตุท่าฌานประกอบไปด้วย อุเบขาเอกาคาต า, านถ้าความดำรงอยู่ของแต่ละฌานเป็นอย่างนี้คือรักษาองค์รักษาองค์ของฌานให้ดำรงอยู่เนี่ยนะไอ้อย่างนี้เรียกว่าความดำรงอยู่ทีนี้ผู้ที่ได้ปฐมฌานเนี่ยเพราะละอะไรละนิวมละนิวอนะละ ผู้ที่ได้ปถงมะชานพ่อละนิวอนผู้ที่ได้ทุติยะชานพ่อละวิตกวิจารผู้ที่ได้ตาติยะชานพา่อละปีติผู้ที่ได้จดตุตชานเพ่อละสุขแต่เมื่อใดที่ยินดีในสิ่งที่ละเมื่อนั้นเรียกว่าความเสื่อมเนี่ยนะคือมันถูกละไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ยังไปยินดีกับสิ่งที่ละไปอ่ะนะอันนี้เรียกว่าเป็นความเสื่อมแล้วนะตรงนี้อยากเรียนถามว่า อ่าสมมุติว่าในปฐมฌานนี่นะฮะอ่าถ้าไปหวนเกิดชอบใจในนิวรณ์ก็หมายความว่าเป็นความเสื่อมถูกไหมครับก็ยินดีให้นิวรณนเกิดเนี่น<ล>ยนับและนี้ก็หมายความ ว, ว่าอ่าในขณะที่อยู่ในปฐมฌานนั่นนะนิวรณ์นี้ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้ น, เ, นเขาจะไปหวนคิดถึงคุณของนิวรณ์หรือชอบนิวรณ์ไม่มีอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่หมายความว่าที่ออกจากปฐมฌานยังไม่ได้เจริญหรือว่าขณะที่ออกจากเวลาไ<ห>ม่เข้าฌาน วอร์ไม่ได้เข้าชานเนี่ยเกิดมาสนใจอันนี้ไปหมก ม, มุ่นในนิวร์อย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาออกจากชานเนี่ยนะซึ่งตัวชาเนี่ยมีอารมณ์ของชาใช่ไหมครับ อ, อย่างเช่นกสินครับมีกสินเป็นอารมณ์เนี่ยครับเวลาออกจากชามาแล้วเนี่ยมาใส่ใจในในนิวร์ทั้งหลายสุภาพนิมิตอ่คือเขาดูจากนิมิตว่า ว, ว่านิวร์เกิดหรือไม่เกิดดูจากนิมิตเอาแต่เรื่องสุภามาคิดมากๆที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาหร อ, อก คือแปลงง่ายๆว่าไปคิดถึงใครบางคนที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะเนี่ยนะอันนั้นแสดงว่าปฐมฌานของเขาเนี่ยเสื่อมแน่คิดได้ว่าอันตรายต่อปฐมฌานอันตราย <นะ S 2> ต่อปฐมฌานหรือปฐฌานเหล่านี้เรียกว่าพรหมจฌา์เรียกว่าอันตรายต่อพรหมฌานนะหรือว่าเวลาได้ฌานเนี่ยนะมาคิดถึงกลุ่มปฏิฆานิมิตเหมือนกันอันนั้นคนโน้นเคยด่าเราคนโน้ น, นหาเรื่องเราตลอดเลยนะออกจากฌานมาคิดแต่เรื่องพวกนี้นะไม่นานฌานเสื่อมแน่นอน ทุมาทุติยชานบ้างครับเอ า, เอาท่านต่อให้จบเลยครับพวกวนิวรอื่นๆนะถ้าพวกผีหน้านมิท่านนะชอบนอนมากๆพวกนี้เสื่อมช้าแต่สองตัวนี้เสื่อมเร็วนี่นะพวกการมาชันท่ากับพยาบาทนี้ทำให้ปฐมชาญเสื่อมเร็วแต่ถ้าไม่ค่อยเข้าชานหลับมากพวกนี้เสื่อมเหมือนกันกแต่ว่าช้าหน่อยทีนี้ถ้าเป็นทุติยชาญทุติยชานนะ เมื่อใดที่น้อมไปให้วิตกวิจารเกิดถือว่าเป็นความเสื่อมของทุติยะฌานแต่ถ้าเมื่อใดดำรงรักษาคุณภาพให้เป็นไปอยู่อย่างชำนิชนานาญอันนี้เป็นทิติภาคิยะเมื่อใดที่น้อมไปเพื่อละปีตินี่นะมุ่งจะละปีติอันนี้เป็นความวิเศษขึ้นวิเศษขึ้นของทุติยะฌานเห็นไหมนั้นเพียงแต่ว่า เหมือนกับว่าคนที่จะได้ประทมมาชานเนี่ยนะแสดงว่าชินกับวิตกวิจารณมากเมื่อใดที่ที่ได้ทุติยะชานแหละนะก็กลับไปตาแบบอย่างเคยอ่ะนะชอบแบบตามเคยเนี่ยพวกนี้เรียกว่าเป็นความเสื่อมคนที่จะได้วสีเนี่ยนะจะต้องชํานาญในแต่ละชานอย่างมากเนี่ยนะชำนาญในในชานสีเนี่ยอย่างมากเขามีการเข้าโดยลําดับอย่างนี้ก็ได้คนที่ชํานาญในชานสีเนี่ยนะ หรือเข้าสลับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหเข้าสลับหรื อ, อเข้าแบบถอยอย่างนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ชำนาญในในฌานอย่างหนึ่งกับชำนาญในกสินอย่างหนึ่งเช่นปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกรสินวายโยกระสินนีละกสิน ปีตะกะกะสินเนี่ยนะสีเหลืองแล้วก็ตากกสินสีแดงสุดท้ายก็โอทาตากสินสีขาวทีนี้ในกสินเราเข้าปฐมมชาน เ, เข้าชานตามลําดับกสินอย่างนี้ก็ได้เข้าชานสลับกสินก็อย่างนี้ก็ได้สามารถเข้าสลับก็ได้หรือเข้าแบบ ย้อนย้อนกลับมาก็ได้ถ้าว่าเป็นไปตามนี้นะไม่ค่อยยากไอ้ที่ยากคือสลับทั้งชาด้วยสลับทั้งกศสินด้วยอันนี้ยากหมายความว่าเช่นเข้าปฐ ม, มชาด้วยเตโชกศสินลอมุนะแล้วเข้าจตุทัชานที่มีละกระสิ น, นพวกสลับแบบนี้ค่อนข้างยาก ถ้าไม่ชํานาญจริงๆเนี่ยนะยากมากผู้ที่ชํานาญจริงๆเลยมีอยู่สองท่านพระโมคคลานะกับพระพุทธเจ้าที่ชํานาญพิเศษขนาดนี้นะ ท, ที่เยี่ยมเลยในขนาดเนี้ยสลับฌานเมื่อไหร่ก็ได้สลับกสินเมื่อไหร่ก็ได้อะไรยังไงก็ได้หมดเลยอ่าพวกนี้เนี่ยพ ร, พระพุทธเจ้ากับพระมหาโมคคลานะชำนาญที่สุดแต่ก็มีผู้อื่นก็ชํานาญแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่าสองท่านนะ น, นะเรียกว่าสุดยอดของผู้ที่ที่ได้ทั้งฌานได้ทั้งกสินเนีเนะ่ย อของของพระพุทธเจ้าเนี่ยยมกะปาติหารเนี่ยอาศัยฌานกับกสินอันนี้เพื่อแสดงยมกะปาติหารแต่ทีนี้อันนี้เฉพาะอิทธิวิธีพิญญาเดียวนะในบรรดาริษไม่ได้มีอย่างเออขอไปในบรราพิน ญ, ญาไม่ใช่มีอันเดียวพระพุทธเจ้านั้นแสดงหนึ่งอันนี้ยมกะปาติหารใช่ไหมย่มกะปาติหารก็คืออิทธิวิธีแล้วในขณะเดียวกันนะพระ อ, องค์ยังมีประจิตตะด้วย คนที่มาดูพี่นิหารทั้งหมดพระองค์กำหนดจิตโดยวรรษสิบหกหมดหนึ่งแล้วก็ไม่พอนะพระองค์ยังมีอาสยานนุสยายานอีกอาสยานุสยายานเนี่ยรวมทั้งอตีตังสยานอนาคตังสยานของเขาทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วแล้วก็แสดงธรรมนะแล้วก็สลับกับพวกนี้ตลอดสลับอยู่อย่างนี้ตลอด สลับขึ้นสลับลงเนี่ยนะสองข้อสัตว์เนี่ยนะไอความสา ม, มารถขนาดนี้เนี่ยจึงจะสอนบรรลุทีละสิบสี่โกดได้ถ้าถ้าไม่งั้นเนี่ย โ, โหไม่ได้หรอก<ม>ก็เอาไว้เจริญพุทธคุณนะเรียนเอาไว้เจริญพุทธคุณก็ยังดีอย่าเพิ่งเอาเราไปเปรียบเลยเดี๋ยวจะป่วยซะก่อน เ, อเกี่ยวกับเรื่องยุติเกี่ยวกับฌานนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น ยุติหาระนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาสรุปอีกนิดหน่อยก็คงพอนะเพราะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับยุติเกี่ยวกับเรื่องรูปปัจจานอารูปปัจจานนั้นคงจะได้กล่าวเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งตอนที่เรียนปฏิสัมพิธามัคเนี่ยนะปฏิสัมพิธามัคอีกครั้งหนึ่งในสุตตมยญาณเนี่ยนะที่ฮานาาคิยะทิติภาคิยะวิเศษภาคิยะและนิเพทะพาคิยาเนี่ยนะส่วนตรงนี้ก็ ก็คงพอสมควร น, นี้มาดูตอนท้ายนิดหนึ่งว่าความวิเศษของเนวสัญญานาสัญญายาตนะคืออะไรคือสัญญาคือสัญญาเวทายตานิโรธใช่ไหมเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นความวิเศษพิเศษขึ้นของเนวสัญญานาสัญญายตนะส่วนเทศนาว่านะนับลง เบรรทัดนเนี่ยนะหน้าสามสว่าจิตที่อบรมในสมาบัติที่กล่าวแล้วด้วยความเป็นว ส, สีย่อมไม่อดกลั้นซึ่งอภิญญาพินิหารย่อมไม่สมควรหมายถึงว่าคนที่ชํานาญในสมาบัติแปกแต่ว่าอภินิหารไม่มีหรือว่าทําฤทธิ์เป็นต้นไม่ได้เนี่ยพู้ถูกไหมอ่มามว่าอภินิหารอะไรก็ทําไม่ได้อิทธิวิธีเป็นต้นก่อใหม่ดี นำไปนำไปทําอะไรก็ไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะแสดงว่าพูดขัดมันคนที่ชํานาญในสมาบัติ8เนี่ยนะน้อมไปเพื่ออนี้อภินิหารแปลว่าการนําไปอย่างไรก็ได้นําไปเพื่อเจริญวิปัสสนาก็ได้นําไปเพื่อแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆก็ได้น้อมไปเพื่อหูทิพย์เพื่อตาทิพย์เพื่อระลึกชาติทําได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครบอกว่าคล่องในสมาบัติแปดีโดยประการทั้งปวงแต่ว่าธรรมพัพญยาะไรก็ไม่เกิด ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าขัดกั น, น, นเพราะฉะนั้นส่วนจิตที่อบรมในสมาบัติทั้งสมาบัติแดที่กล่าวไปแล้วโดยว่าสีทั้งห้าเนี่ยนะชนาญในการเข้าชํานาญในการออกชํานาญในการดำรงอยู่ชํานาญในการนึกชนานาญในการพิจรนารณาเนนะี่ยถ้าชนานาญอย่างนี้ย่อมอดกล้ามซึ่งอภิณิหารหมายว่านำไปทำมาพิณิหารอะไรก็ได้ถตาพูดอย่างนี้ก็สมควร ควรเลือกเฟ้นพระสูตรกล่าวคือพระไตรปิฎกอันมีองค์9ก้าด้วยวิจยะาหาระคือเอามาวิจัยก่อนวิจัยทั้งโดยบทโดยปุต ช, ชาโดยวิสัชนาโดยคำหน้าคำหลังโดยอะไรอัสาธาอาทีนวะนิสรณนะผลอุบายอานัตและอนุขีติเมื่อวิจัยโดยประการทั้งปวงอย่างละเอียดแล้วก็มาหาข้อยุติอนนะเอาอยุติหารานี่เป็นเครื่องยุติใช่ไหม ในยุติหาระดังที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นถ้ายุติเกี่ยวกับคำสอนทั่วๆไปก็เอาจัดลงในพระสูตรแสดงในพี่ในใส่ไว้ในธรรมดาก็คือสรุปก็เอาประเด็นอริยสัจนี่เป็นประเด็นหลักเป็นประเด็นประเด็นแรกนะการรู้อริยสัจก็เพื่อกำจัดกิเลสการกำจัดกิเลสก็ต้องแทงตลอดปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมอันนี้ เป็นวิธีวัดในการศึกษาว่าจะต้องเป็นไปตามนี้นะทั้งศึกษาและปฏิบัติส่วนข้อยุติเกี่ยวกับการเกิดขึ้นแห่งทุกข์กับข้อยุติเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของนิพพิทานะว่าทุกข์ทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุเกิดขึ้นนิพพิทาทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเวลาสอนกรรมฐานกับบุคคลต่างๆสอนอย่างไรก็หาข้อยุติ พรหมวิหารถ้าเจริญมากละอะไรเนี่ยนะละอะไรได้อันนี้เรียกว่ายุติเกี่ยวกับพรหมวิหารยุติเกี่ยวกับวิปัสสนาเนี่ยนะว่าวิปัสสนานั้นถ้าเจริญถูกต้องละอะไรได้ข้อยุติเกี่ยวกับ เ, เกี่ยวกับฌานทั้งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุระฌานอรูปฌามีอากาสารนันจายตนะเป็นต้นอันนี้เป็นข้อยุติ ทีนี้ข้อยุติในยุติหาระนั้นเป็นการยุติทั้งในการศึกษาด้วยในการค้นคว้าพยัญชนะในพระไตรปิฎกด้วยคือคนที่เขาตรวจคมภี์ได้เนี่ยนะอาศัยความรู้เหล่านี้เป็นเป็นเครื่องมือไปตรวจว่าพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกตกหล่นไหมอะไรไหมเนี่ยนะเขาเขาอาศัยความรู้เหล่านี้อันนี้อย่างหนึ่งกับผู้ที่ปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนการเขาปฏิบัติเขาเจริญขึ้นเขาเสื่อมลง นหรือเขาดำรงอยู่หรือว่ามันใกล้มันไกลต่อบรรลุแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นเป็นข้อยุติสำหรับเขาเป็นยุติท้งการศึกษาและการปฏิบัตินั้นในสมัยที่การสื่อสารข้อมูลที่มันกระจัดกระจายไม่ค่อยเป็นเอกภาพเนี่ยนะมันขัดกันไปหมดเป็นต้นก็ยุติหาระนี่เป็นเครื่องเครื่องรักษาผู้นั้นให้เจริญในาศาสนาได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่มียุติเหล่านี้นะเราก็ไม่รู้เอาอะไรมาวินิจฉัยถูกผิดอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อมที่เราทำเนี่ยทำถูกหรือทําผิดที่บุคคลอื่นพูดเขาคนอื่นเขากล่าวเขากล่าวถูกกล่าวผิดเราก็แยกแยอะอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะแต่ว่าเครื่องมือในการพิจารณาข้อยุตินี้ก็นับว่าลึกซึ้งนะนะเพราะเครื่องมือนนี้ก็รักษาเอาไว้ให้ดีนะเอาไว้ตรวจสอบเราท่านทั้งหลาย